ฟังกันเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติกันได้อย่างรวดเร็ว้าตุโลกมันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังไปอยู่ในฐานที่ใดบ่นแต่ความตู้ความร้อนเราสำรักสายวุ่นวายไปหมดทั้งแผ่นดินทั้งๆ ท, ที่ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างหาความรู้แล้วความรู้นั่นเขาไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเอามาเผาตัวเท่านั้นนี่เพราะความรู้ประเภทนี้เหล่านี้ไม่มีทางเเคลือกแฝงไม่มีทาเขาเป็นเบรศ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 คำทางราวเรคือปฏิบัติตัวขงเราให้เป็นคนดีล้วอยู่ในสถานที่ใดเอียบบทเราแล้วก็ยิ น, นความเย็นความผาสุขสบายเกิดขึ้นจากความถูกต้องของการกระทำของตนเองความเย็นจึงมีขึ้นที่นี่มันมีขึ้นที่ใดแล้วคาว่าความถูกต้องความเย็นนั้นมีเป็นขั้นขั้นภาพทั่วไปก็ มีได้ทุกคนถ้าตั้งใจกระพื่อปฏิบัติให้มีความร่มเย็ยนเป็นจุขโลกนี้ก็เป็นโลกผาสุขร่มเย็ยนน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นเดินบันเทิงถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นปุตติจะปฏิบัติเพื่อความสูขความเจริญพานา จ, จิตใจยิ่งขึ้นกว่าภาคทั่วทัวไปส่วนทั่วๆวไปนี้ก็พยายามบําเพ็ญตน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 ธรรมชาตินั้นมาเทียบยังประถาคดว่าเป็นอย่างไรแล้วจะมีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นเหมือนกันนี่ทางกข้าวาดของบุรชาติเป็นหลักสำคัญอย่างนี้การทาทจิตใจการทําตัวให้เป็นคนดีคือวเป็นการสั่งสมความสุขความกระเรินขึ้นภายในจิตใจจนโดยลำหนัะผลก็คือความสุขนั่นเอง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 มีเจ็บไข้ได้ป่วยภายในร่างกายอย่างนี้ก็<ๆ>จะมีเรื่องของกิเลียดแทรกเข้ามาบ้านเราเจ็บนั่นเราปวดนี้เกิดความโกลวายและสำลักสายด้วยมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นทุกขางใจอีกประเภทหนึ่งแทรกขึ้นมาจากโรคภายนกายถ้าเพียงโรคภายนกายธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นได้สาวกก็เป็นได้เพราะขันอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติอย่างสมมุติอยู่แล้วคือเรื่องไกลลากทายจะ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 อย่างไรนั้นจะไปสอนไม่ได้เวลาเนี่เวลาเราเข้าสู่สงครามคึกตาจนภายในธาตนขันเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะแตกจะสลายนี่มันก็เหมือนกับอีแลนอีกกาที่มาจับต้นไม้เวลามาจับก็เสียก็ไม่ค่อยกระเทือนอะไรมากนะแต่เวลามันจะไปบางทีขิเหว่กิ่งมันไหวหมดทั้งกิ่งบางทีหากกิ่งมันตายนี่พื้นแม่น้ำหนาวมันคงหักไปก็มี